เมื่อพระมหาสัตว์พร้อมสอนบุตรภรรยาญาติและมิตรเป็นต้นอย่างนี้นั่นแลจบลงก็เป็นวันที่สามพระมหาสัตว์นั้นครั้นทราบว่าครบกําหนดวันแล้วอาบน้ำแต่เช้าตรู่บริภพโภคโภชนาหารที่รสเลิศต่างๆคิดว่าเราพร้อมด้วยมานพจากทูลลาพระราชาไป ดังนี้แล้วแวดล้อมด้วยหมู่ญาติไปสู่พระราชนิเวศถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลถ้อยคําอันสมควรที่ตนจะพึงกราบทูลพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าวิทุระบัณฑิตผู้มีปัญญาเครื่องพิจารณาครั้นพร่ำสอนหมู่ญาติอย่างนี้แล้ว ผู้อันมูญาติมิดโฮมล้มเข้าไปเฝ้าพระราชาถวายบังคมยุคลบาตด้วยเสียงเกล้าและทำประทักษิณเท้าเธอแล้วประคองอัญชลีกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปราบศัตรูมานพนี้ปรารถนาจะทำตามความประสงค์จึงจะนำข้าพระองค์ไปข้าพระองค์จะกราบทูลประโยชน์แห่งญาตทั้งหลาย ขอเชิญพระองค์ทรงสดับประโยชน์นั้นขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาเอาพระไทยใส่ดูแลบุตรภรรยาของข้าพระองค์ทั้งทรัพย์อย่างอื่นๆที่มีอยู่ในเรือนโดยที่หมู่ญาติของข้าพระองค์จะไม่เสื่อมในภายหลังในเมื่อข้าพระองค์ถวายบังคมลาไปแล้วความพลังพลาดของข้าพระองค์นี้เหมือนบุคคลพลาดล้มบนแผ่นดิน ย่อมกลับตั้งอยู่บนแผ่นดินเองฉะนั้นข้าพระองค์ย่อมเห็นโทษนี้บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าผู้อันหมู่ญาติมิตรสุหเทหิได้แก่อันญาติและมิตรเป็นต้นผู้มีใจดีคําว่าทั้งทรัพย์อย่างอื่นอื่นยันจะมันยังความว่าขอพระองค์นั่นและจงดูแลทรัพย์สมบัติอย่างอื่นทั้งหมดนั้น อันจะนับประมาณมิได้ที่ใต้ฝ่าละ อ, องทุลีพระบาทและพระราชาเหล่าอื่นพระราชทานไว้สำหรับเรือนของข้าพระองค์คำว่าในภายหลังเปตจะได้แก่การภายหลังคำว่าพลาดล้มคลติได้แก่ย่อมพลาดล้มคำว่าเอเวตังนี้เหมือน ตัดบทเป็นเอวังเอตังเพราะความพลังพลาดในใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทแล้วข้าพระองค์ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระองค์ตามเดิมเหมือนบุคคลพลาดล้มบนแผ่นดินย่อมตั้งอยู่บนแผ่นดินนั้นนั่นแหละคำว่าข้าพระองค์ย่อมเห็นโทษนี้เอตังปัตสามิความว่า เมื่อข้าพระองค์ถูกมานบถามว่าราชาเป็นอะไรของท่านหรือจึงมองไม่เห็นพระองค์ไม่เห็นความสําคัญปราถนาแต่ความสัจจริงกล่าวว่าข้าพระองค์เป็นทาสนี้เป็นโทษของข้าพระองค์ข้าพระองค์เห็นแต่โทษนี้แต่โทษของข้าพระองค์อย่างอื่นไม่มีขอพระองค์จงอดโทษนั้นแก่ข้าพระองค์เถิด ขออย่าได้เก็บโทษนั้นไว้ในพระหฤทยัยจะผิดในบุตรและภรรยาของข้าพระองค์ในภายหลังพระราชาครั้นทรงสดับดังนั้นแล้วเมื่อจะทรงแสดงว่าท่านบัณฑิตการไปของท่านไม่ถูกใจเราเลยเราจะทำอุบายเรียกมานบสั่งบังคับให้เอาไปฆ่าและปิดเนื้อความเสียมิให้ใครได้รู้ ค้นั้นแหละจะชอบใจเราดังนี้จึงได้ตรัสคาถาว่าท่านไม่อาจจะไปนั่นและเป็นความพอใจของเราเราจะสั่งให้ข้ามานพนั้นตัดออกเป็นท่อนๆแล้วหมกไว้ให้มิดชิดในเมืองนี้ท่านอยู่ในที่นี้แหละการทำดังนี้เราชอบใจท่านบัณฑิตผู้มีปัญญาอันสูงสุดกว้างขวางดุดแผ่นดิน ท่านอย่าไปเลยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าฆ่าฆตวาความว่าเราจะโบยมานบให้ตายแล้วหมกไว้ในกรุงราชครุนี้เองพระมหาสัตว์ได้สดับดังนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระราชอัธยาศัยเห็นปานนี้มิบังควรแก่พระองค์เลยดังนี้แล้ว กล่าวคาถาว่าขอใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทอย่าทรงตั้งพระาราชหฤทยัยไว้ในอธรรมเลยขอทรงจงประกอบพระองค์ไว้ในอัตและในธรรมเถิดกรรมอันเป็นอกุศลไม่ประเสริฐเป็นกรรมอันบันดิตพึงติเตียนว่าผู้ทากรรมอันเป็นอกุศลพึงเข้าถึงนรกในภายหลังนี้มิใช่ธรรมเลย ไม่เข้าถึงกิจที่ควรทาข้าแต่พระจอมประชาชนธรรมดานายผู้เป็นใหญ่ของทา่าจะทุบตีก็ได้จะเผาก็ได้จะฆ่าเสียก็ได้ข้าพระองค์ไม่มีความกโกรธเลยและข้าพระองค์ขอกราบทูลลาไปบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าอย่าทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ในอธรรมเลย มาเหวะธรรมเมสุความว่าขอใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทอย่าทรงตั้งพระราชหฤทัยของพระองค์ไว้ในอธรรมคือในอนัต t ะได้แก่ในความชั่วเลยคำ ว, ว่าในภายหลังปัจฉาความว่าบุคคลกระทากรรมใดแล้วจะไม่แก่และไม่ตายย่อมไม่มีโดยที่แท้ บุคคลผู้กระทำกรรมนั้นย่อมเข้าถึงนรกในภายหลังทีเดียวคําว่าเป็นกรรมอันบัณฑิตพึงติเตียนทิรัฐุกรรมมังความว่ากรรมนั้นเป็นกรรมหน้าตาหนิคือเป็นกรรมที่บัณฑิตติเตียนแล้วคาว่านี้ไม่ใช่เนเวสะความว่านี้ไม่ใช่เป็นสภาวะธรรมของโปราณกะบัณฑิต คำว่านายอะยิโรได้แก่ผู้เป็นเจ้านายด้วยคำว่าจะฆ่าเสียก็ได้คาเตตุงพระมหาสัตว์กล่าวว่านายผู้เป็นใหญ่ของทา่านจะทำการฆ่าเป็นต้นนั้นก็ย่อมทำได้คือย่อมได้เพื่อจะทำกรรมทั้งหมดนั้นแต่ข้าพระองค์ไม่มีความโกรธแม้มีประมาณน้อยในมานพ นับตั้งแต่เวลาพระราชทานข้าพระองค์ให้แก่มานพนี้ควรที่ใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทจะทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ให้เที่ยงตรงข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมแห่ง น, นรชนข้าพระองค์ขอลาไปพระมหาสัตว์ครั้นกราบทูลอย่างนั้นแล้วจึงถวายบังคมลาพระราชาไปสั่งสอนพระสนมกำนันในและราชบริษัท เมื่อชนเหล่านั้นก็อดกลั้นความโศกตามปกติไว้ไม่ได้ร้องไห้คร่ำครวญอย่างใหญ่หลวงได้ออกจากพระราชนิเวศไปชนชาวพระนครทั้งสิ้นพูดกันเซ็งแซ่ว่าข่าวว่าวิทุระบัณฑิตจะไปกับมานพพวกเราจงมาไปดูท่านเถิดดังนี้แล้วจึงไปประชุมกันดูพระมหาสัตว์ที่หน้าพระลานหลวง ลำดับนั้นพระมหาสัตว์ได้สั่งสอนชาวพระนครเหล่านั้นว่าพวกท่านอย่าคิดวิตกไปเลยสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสรีระไม่ยั่งยืนสมมุติธรรมอันได้นามว่ายศย่อมมีความวิบัติเป็นที่สุดอันหนึ่งท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในบุญกุศลมีฐานเป็นต้นดังนี้แล้วได้บ่ายหน้ากลับสู่เรือนของตน ขณะนั้นธรรมปาลกุมารพาหมู่น้องชายน้องหญิงออกไปด้วยหวังว่าเราจะทําการต้อนรับบิดาได้พร้อมกันคอยบิดาอยู่ที่ประตูบ้านพระมหาสัตว์เห็นธรรมะปาลกุมาร น, นั้นแล้วไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้สวมกอดธรรมปาลกุมารเข้าไว้กับสวงแล้วอุ้มไปสู่เรือน พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่าพระมหาสัตว์นั้นมีเนตรทั้งสองนองด้วยน้ําตากําจัดความโกรนกระวายในหัตไทยแล้วสวมกอดบุตรคนโตแล้วเข้าไปยังเรือนใหญ่ก็พระมหาสัตว์นั้นมีบุตรหนึ่งพันคนที่ดาหนึ่งพันคนภรรยาหนึ่งพันคน นางวันณธาสีเจ็ร้อยคนทั่วนิเวศของท่านแออัดยัดเยียดไปด้วยชนเหล่านั้นทั้งทาตกรรมกรญาติและมิตรที่เหลือประดุดป่าไม้รังระเกระกะไปด้วยต้นรังที่ถูกลมล้างยุกพัดให้หักทับล้มลงไปฉะนั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่า บุตรทิดาและภรรยาทั้งหลายในนิเวศของวิธุระบัณฑิตต่างนอนร้องไห้คล่ำครวญกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนป่าไม้รังถูกลมพัดล้มระเนระนาดภรรยาหนึ่พันคนและทาสีเจ็ดรอคนต่างประคองแขนทั้งสองร้องไห้คร่ำครวญในนิเวศของวิธุระบัณฑิต พระสนมกานันไนพระราชกุมารพ่อค้าชาวนาและพราหม์ทั้งหลายต่างก็มาประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในนิเวศของวิธุระบัณฑิตพวกกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าชาวชนบทและชาวนิคมต่างมาประชุมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญอยู่ในนิเวศของวิตุระบัณฑิต ภรรยาหนึ่งพันคนและทาสีเจ็ดร้อยคนต่างพากันประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญว่าเพราะเหตุไรท่านจึงจักละทิ้งดิฉันทั้งหลายไปพระสนมกำนันในพระราชกุมารพ่อค้าชาวนาและพราหมณ์ทั้งหลายพวกกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าชาวชนบทและชาวนิคม ต่างมาประชุมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญว่าเพราะเหตุไรท่านจึงจักละทิ้งข้าพเจ้าทั้งหลายไปบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านอนเสนติความว่าบุตรหนึ่งพันคนที่ดาหนึ่งพันคนภรรยาหนึ่งพันคนและนางวรนณนะทาศีเจ็ดร้อคนกลิ้งเกลือกนอนทับกันไป เหมือนผู้มีเท้าถูกตัดขาดล้มลงที่พื้นใหญ่ฉะนั้นคำว่าภรรยาภริยานังได้แก่หญิงคือภรรยาหนึ่งพันคนคำว่าเพราะเหตุไรข้าพเจ้าทั้งหลายกัสมาโนความว่าพากันคร่ำครวญว่าเพราะเหตุไรท่านจึงจักละพวกเราไป พระมหาสัตว์ปลอบโยนมหาชนทั้งหมดนั้นให้สั่งโศกทากิจที่ยังเหลือให้เสร็จสังสอนชนทั้งภายในทั้งภายนอกบอกเรื่องที่ควรจะบอกทุกอย่างแก่บุตรและภรรยาเสร็จแล้วไปสู่สำนักของปุณกะยักษ์บอกว่าตนทากิจเสร็จแล้วแก่ปุณกะยักษ์นั้นพระศาสดาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสพระคาถาว่า พระมหาศัตย์กระทากิจทั้งหลายในเรือนสั่งสอนคนของตนคือมิตรสหายคนใช้บุตริดาภรรยาและพวกพ้องจัดการงานบอกมอบทรัพย์ในเรือนขุมทรัพย์และการใช้หนี้เสร็จแล้วได้กล่าวกับปุณกะยักว่าท่านได้พักอยู่ในเรือนของข้าพเจ้าสามวันแล้ว กิจที่จะพึงทำในเรือนของข้าพเจ้าทำเสร็จแล้วอันหนึ่งบุตรและภรรยาข้าพเจ้าได้สั่งสอนแล้วข้าพเจ้ายอมทำกิจตามอัธยาศัยของท่านบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าจัดการงานกัมมันตังสังมิเทตวานะความว่าจัดกิจที่ควรทำในเรือนว่าควรทำอย่างนี้และอย่างนี้ คำว่าคุมทรัพย์นิทิงได้แก่ทรัพย์ที่ฝังไว้ในที่นั้นๆั้นคำว่าการใช่นี่อินะธานังได้แก่ทรัพย์ที่ประกอบไว้ด้วยอำนาจนี่คำว่าตามอธัธยาศัยของท่านยถามะติงเตความว่าบัดนี้ท่านจงกระทําตามอธัธยาศัยของท่าน ลำดับนั้นปุณกะยักษ์กล่ากับพระมหาสัตว่าแม่มหาอามาตผู้สำเร็จราชกิจทั้งปวงท่าแลท่านสั่งสอนบุตรภรรยาและคนอาศัยแล้วเชิญท่านมารีบไปในบัดนี้เพราะหนทางข้างหน้ายัางไกลนักท่านอย่ากลัวเลยจงจับหางม้าอาชาใน การเห็นชีวโลกของท่านนี้เป็นการเห็นครั้งสุดท้ายอุณกะยักษ์ถึงโสมนัสเรียกพระมหาสัตว์ว่าผู้สำเร็จราชกิจกัตเตในคาถานั้นคำว่าเพราะหนทางอัธาปิความว่าแม้เพียงหนทางที่จะพึงไปก็ยังไกลนักคำว่าอย่ากลัวเลยอสัมพีโตวะได้แก่ อย่าหวาดหวั่นเลยปุณกะยักษ์นั้นไม่ยังลงสู่ภายใต้ปราศาสตร์ประสงค์จะหลีกไปจากนั้นจึงได้กล่าวอย่างนั้นลำดับนั้นพระมหาสัตว์กล่าวกับปุณกะยักษ์นั้นว่าข้าพเจ้าจักหวาดกลัวไปทําไมเพราะข้าพเจ้าไม่มีกำชั่วทางกายทางวาจาและทางใจอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุขติ บรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าข้าพเจ้าจักหวาดกลัวไปทาไมโโสหังกิสานุพายิสังความว่าพระมหาสัตว์ถูกปุญณกะยักษ์กล่าวว่าอย่า ก, กลัวเลยท่านจงถือเอาเถิดดังนี้จึงได้กล่าวอย่างนั้นพระมหาสัตว์บรรลือศีหานาฏด้วยประการอย่างนี้จะได้หวาดกลัวหาไม่ได้เป็นผู้ไม่กลัว องอาจดังพยากรศรสอนราชสีทาอธิษฐานบารมีให้เป็นปุเรจาริกว่าผ้าสาดกของเราผืนนี้จงอย่าหลุดลุยออกจากร่างกายของเราเลยแล้วนุ่งผ้าให้แน่นจับหางม้าด้วยมือทั้งสองกระวัดหางม้าไว้ให้มั่นเอาเท้าทั้งสองเกี่ยวขาม้าไว้ให้แน่นกล่าวว่าท่านมานพข้าพเจ้าจับหางม้าแล้ว ท่านจงไปตามความชอบใจเถิดขณะนั้นปุณกะยักษได้ให้สัญญาแก่ม้ามาโนมัยสินทบส่วนม้ามาโนมัยสินทบนั้นได้พาวิทุระบัณฑิตเพาะไปในอากาศพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงได้ตรัสพระคาถาว่าพญาม้านั้นนำวิทุระบัณฑิตเพาะไปในอากาศกลางหาว ไม่กระทบที่กิ่งไม้หรือภูเขาเข้าไปสู่กาลาคิรีบันพศโดยฉับพลันบรรดาคำเหล่านั้นคาว่าไม่กระทบที่กิ่งไม้หรือภูเขาสาขาสุเสเลสุอสัตชมาโนความว่าได้ยินว่าอุณกะยักษ์คิดว่าเรามาไกลแล้วเราควรจะทุบวิทุระบันดิตนี้ให้ตาย ที่ต้นไม้และภูเขาในหิมมวันต์ตประเทศถือเอาแต่เนื้อหาไทยทิ้งซากศพเสียในซอกแห่งภูเขาแล้วไปสู่นาคพิภพถวายเนื้อหาไทยนั้นแก่พระนางวิมลลาเทวีในนาคพิภพแล้วจักรับเอานางอิรันธตีกลับมาปุณกะยักษ์นั้นกระแทกพระมหาสัตว์ที่ต้นไม้และภูเขา ขับม้าไปในระหว่างทางแห่งต้นไม้และภูเขานั้นแหลด้วยอนุภาพแห่งพระมหาสัตว์ต้นไม้ก็ดีภูเขาก็ดีได้แหวกช่องหลีกออกห่างจากสรีระของพระมหาสัตว์ข้างละศอกุณกะยักษ์เลียวกลับหลังมองดูหน้าพระมหาสัตว์เพื่ออยากทราบว่าตายแล้วหรือยังเห็นหน้าพระมหาสัตว์ผ่องใสดุจแว่นทองรู้ว่า แม้ทำถึงเพียงนี้เธอก็ยังไม่ตายจึงกระแทกพระมหาสัตว์ที่ต้นไม้และภูเขาสามครั้งขับม้าไปในระหว่างแห่งต้นไม้และภูเขาในหินเมื่วันตับประเทศนั้นอีกต้นไม้ก็ดีภูเขาก็ดีย่อมแวกช่องลีกออกให้ห่างไกลเช่นกับผลก่อนนั่นแหละพระมหาศัตว์ได้รับความลำบากกลายเป็นอย่างยิ่ง พุนกะยักษ์ดำริว่าเราจะทาเธอให้เป็นจุนวิจุนไปที่กองลมในบัดนี้จึงขับม้าไปในกองลมเลียวกลับดูด้วยคิดว่าเธอตายแล้วหรือยังไม่ตายเห็นหน้าพระมหาสัตว์เบิกบานดังดอกปทุมที่แย้มบานก็โกรธเหลือกำลังควบม้าไปสู่กองลมแล่นกลับไปกลับมาสิ้นเจ็ดครั้ง ด้วยอนุภาพแห่งพระโพธิสัตว์กองลมได้แยกออกเป็นสองส่วนให้ช่องแก่พระมหาสัตว์ลำดับนั้นปุญญกะยักษ์ขับม้าไปให้กระทบลมชื่อว่าเวรัมภะแม้อันว่าลมเวรํมภะก็มีเสียงดังครืองดดเสียงฟ้าฟาดตั้งแสนครั้งได้แยกช่องให้แก่พระโพธิสัตว์ฝ่ายปุณญกะยักษ์ เมื่อเห็นว่าพระโพธิสัตว์ไม่เป็นอันตรายด้วยลงเวรํมภะนั้นได้ขับม้าไปสู่กาลคิรีบรรพ์เพราะเหตุนั้นพระาศาสดาจึงตรัสพระคาถาว่าพญาม้านั้นนำวิธุระบัณฑิตเหาะไปในอากาศกลางหาวไม่กระทบที่กิ่งไม้หรือภูเขาเข้าไปสู่กาลคิรีบรรพ์โดยฉับพลัน บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่กระทบอสัตชมาโนความว่าไม่ติดขัดไม่กระทบกระทั่งนำวิทุระบัณฑิตเข้าไปสู่ยอดแห่งกาลคีรีบัรพศในเวลาที่ปุณกกะยักษพาพระมหาสัตว์ไปอย่างนั้นปิยชนทั้งหลายมีบุตรและภรรยาเป็นต้นของวิทุระบัณฑิตไปสู่ที่พักแห่งปุณกกะยักษ ไม่เห็นพระมหาสัตว์จึงล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาดุดมีเท้าขาดไปต่างคนต่างพากันร้องไห้ร่ำไรด้วยเสียงอันดังพระศาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสประคาถาว่าภรรยาหนึ่งพันคนและทาสีเจ็ดร้อยคนประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญว่ายักแปลงเพศเป็นพรามมา พาเอาวิตุรบัณฑิตไปพระสนมกํานันในพระราชกุมารพ่อค้าชาวนาและพราหมณ์ทั้งหลายกองช้างกองมา้ากองรถกองเดินเท้าชาวชนบทและชาวนิคมต่างมาประชุมประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญว่ายักแปลงเพศเป็นพราหมณ์มาพาเอาวิทุรบัณฑิตไป ภรรยาหนึ่งพันคนและทาสีเจ็ดร้อยคนตามประคองแขน ร, ร้องไห้คร่ำครวญว่าพิตุระบัณฑิตนั้นไปแล้วณที่ไหนพระสนมกำนันในพระราชกุมารพ่อค้าชาวนาและพรามทั้งหลายกองช้างกองม้ากองรถกองเดินเท้าชาวชนบทและชาวนิคม ต่างมาประชุมกันประคองแขนร้องไห้คร่ำครวญว่าพิตุระบัณฑิตนั้นไปแล้วณที่ไหนชนเหล่านั้นทั้งหมดเห็นและทราบว่าอุณาการยักษ์พาพระมหาสัตว์ไปทางอากาศพากันคร่ำครวญแล้วแม้อย่างนี้พากันคร่ำครวญพร้อมด้วยชนชาวพระนครทั้งสิ้นได้พากันไปยังประตูพระราชวัง พระราชาทรงสดับเสียงคร่องครวรอันดังทรงเปิดสีหบัญชรทอดพระเนตรดูจึงตรัสถามว่าพวกเจ้าร้องไห้พี่ไรร่ำรำพันเพราะเหตุไรลำดับนั้นชนชาวพระนครเหล่านั้นทูลบอกเนื้อความนั้นแต่เท้าเธอว่าข้าแต่สมมุติเทพในว่ามานพนั้นไม่ใช่พราม เป็นยักษ์จำแรงเพศเป็นพรามมาเอาวิทุระบัณฑิตไปข้าพระองค์ทั้งหลายพลัดพรากจากวิทุระบัณฑิตนั้นเสียแล้วชีวิตเห็นจะหาไม่ถ้าวิทุระบัณฑิตจะไม่กลับมาในวันที่เจแต่วันนี้ไปสายพวกข้าพระองค์ทั้งปวงจกข้นเอาฟืนมาด้วยเกวียนหนึ่งรอเล่มหนึ่พเล่มก่อไฟให้เป็นเปลวลุกรุ่งโรธ แล้วเข้าไปสู่กองไฟดังนี้แล้วทูลด้วยคาถานี้ว่าถ้าวิทุระบัณฑิตนั้นจะไม่มาภายในเจ็ดวันข้าพระองค์จกพากันเข้าไปสู่กองไฟข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีความต้องการด้วยชีวิตแม้ในการที่เป็นปรินิพานแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครพูดว่า พวกเราจะเข้ากองไฟตายเช่นนี้ในพระนครพระมหาสัตว์ครอบครองด้วยดีแล้วแหลพระราชาทรงสดับถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้วจึงมีพระราชดำรัสว่าพวกเจ้าอย่าพากันวิตกอย่าเศร้าโศกร่่าไรไปนักเลยวิทุระบัณฑิตเป็นผู้แสดงธรรมภายเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจะเล้าโลมมานก ด้วยธรรมกถาให้หมอบลงแทบเท้าของตนไม่กี่วันก็จักมาเช็ดหน้าของพวกเราที่เต็มไปด้วยน้ำตาให้เบิกบานพวกเจ้าอย่าเศร้าโศกไปเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่า <c oughs> กวิธุระบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมสามารถแสดงประโยชน์และมิใช่ประโยชน์แจ้งชัดมีปัญญาเครื่องพิจารณา คงจะเปลื้องตนได้โดยพลันท่านทั้งหลายอย่ากลัวไปเลยวิธุระบัณฑิตปลดเปลื้องตนแล้วก็จะรีบกลับมาบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเฉียบแหลมวิญญาโตความว่าประกอบด้วยความเป็นผู้เฉียบแหลมคือด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาคําว่าสามารถแสดงประโยชน์และมิใช่ประโยชน์แจ้งชัดวิภาวี ความว่าเป็นผู้สามารถแสดงถึงประโยชน์และมิใช่ประโยชน์เหตุและมิใช่เหตุให้แจ่มชัดคำว่ามีปัญญาเครื่องพิจารณาวิจักขะโนความว่าประกอบด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องรู้แจ้งถึงเหตุที่เกิดขึ้นตามฐานะในขณะนั้นนั่นเองด้วยคำว่าอย่ากลัวไปเลยมาพายิทธะ พระราชาปลอบโยนว่าพวกท่านอย่ากลัวเลยวิทุระบัณฑิตปลดเปลื้องตนให้พ้นแล้วจะกลับมาโดยเร็วพลันฝ่ายชาวพระนครกลับได้ความโล่งใจว่าวิทุระบัณฑิตคงทูลบอกกับพระราชาแล้วจึงไปด้วยประการชน้แลอันตรเปยาละจบ